เหมือนกระซิบอยู่ข้างหูแต่เมื่อฉันตื่นขึ้นมาทั้มกลางความมือสลัวแต่ทันทีที่ลืมตาก็เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำกำยำหัวโลน้นหน้าอกมีรอยสักเป็นแผงยาวไปจนถึงลำคอมีหนวดเขียวครึมนุ่งจงกระเบนสีแดงเก่าๆยืนคร่อมตัวฉันอยู่ในตาเป็นสีแดงกล่ำจ้องขเขมงมาที่ฉันรากับว่ากโกรธมากมือทั้งสองข้างถือดาบยาว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 เรื่องผีหลอนยังมีอีกเพียบเลยค่ะ